สมาธิที่ไม่มีศีลไม่ใช่ของวิเศษเรื่องของสมาธิเนี่ยใครจะว่าวิเศษวิโสักปานใดก็ตามเถอะมันไม่ใช่สิ่งวิเศษหรอกมันวิเศษอยู่ตรงที่ว่าขาลือหัดศีลห้าบริสุทธิ์สามเณรแม่ขาวแม่ชีศีลบริสุทธิ์ตามขั้นตอนของตนเอง พระ227ข้อนี่ให้มันบริสุทธิ์สะอาดมันสำคัญอยู่ที่ตรงนี้พระฤาษีไปบำเพ็ญเพียรอยู่ยอดเขาเหาะมาทางอากาศต่างคนต่างเหาะมาเกิดปัญหาเพียงแค่ว่าย่างที่พักกันเท่านั้นยังอุตสาห์ไปแช่งชักหักกระดูกกันให้หัวแตกเจ็ดเสียงอันนี้แสดงว่าสมาธิเก่งแต่ว่าไม่มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัย จึงทำร้ายกันได้อยู่เพราะฉะนั้นเราจะพ้นบาปพ้นกรรมหรือถึงสวรรค์นิพพานอะไรนี่สำคัญอยู่ที่ศีลเท่านั้น ปัญญาธรรมะพุทโธแปลว่าผู้รู้โดยปกติจิตของเราเนี่ยรู้มันเป็นธรรมชาติรู้อยู่เพราะมีธาตุแห่งความเป็นพุทธะมาตั้งแต่กำเนิดแล้วทีนี้ผู้รู้นี่มันรู้รู้รู้นี่มันมีแต่โมหะครอบงำมันอยู่เราจึงมาฝึกให้มันเกิดพลังงานอันหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือสติ เมื่อสติตัวนี้มีพลังเข้มแข็งมันสามารถไหวตัวออกมาแล้วเกิดความคิดความคิดที่มีสติรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตเรียกว่าสติสัมปัชัญญาเมื่อสติสัมปัชัญญามีพลังแก่กล้ากลายเป็นปัญญาปัญญาตามความหมายนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเรามีปัญญาแล้วเราจะคิดเราจะพูดอะไรได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นแต่หมายถึงปัญญาที่มีสติรู้ทันความคิดของตนเองอยู่ทุกขณะจิตว่าเราทำอะไรอยู่ทีนี้พอแวบไปมันนึกจะทำบาปอะไรขึ้นมาสติมันเตือนอยา่าวันนี้เราจะขโมยเมียไปเที่ยวสักหน่อยเถอะพอคิดมาปุ๊บสติมาเตือนอย่านะเราจะรักษาศีลได้เองถ้าปฏิบัติไปนี่ ศีลไม่ตั้งใจจะรักษามันก็เกิดเองล้านหลวงพ่อเนี่ยสอนให้ทำสมาธิในห้องเรียนพอแกได้สมาธินิดหน่อยนีย่ทำให้แกเรียนเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วโดยปกติเขาเป็นคนหัวรั้นพ่อแม่พูดไม่ค่อยเชื่อพอหลังจากได้สมาธิแล้วนี่เขาเคารพนับถือบูชาพ่อแม่พ่อแม่บอกว่า อย่านะลูกหยุดทันทีเลยไม่เถียงเวลานั่งดูหนังสืออยู่นี่หน้าร้อนใส่กางเกงขาสั้นๆนั่งอ่านหนังสือยุงตัวเบอ้อเร่อมาเกาะเงื้อมือขึ้นจะตบมันตบลงไปแทนที่มือมันจะลงที่ตัวยุงมันไปนลงที่อื่นแล้วเจ้ายุงเนี่ยก็ประหลาดโดนตบแล้วไม่ยอมบินหนีเขารู้ว่าเราไม่ทำเขา เพราะฉะนั้นในเมื่อเราปฏิบัติสมาธิแล้วถ้ามีครอบครัวเราสามารถที่จะรักลูกรักเมียรักพ่อแม่เคารพบูชาพ่อแม่ของเรามากขึ้นนั่นถูกต้องเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาของเราดีขึ้นทํางานอย่างซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาคนมีศีลมีธรรมคนมีสมาธิมีคุณธรรมเนี่ยไปทํางานอยู่ในสถาบันใดเขาจะไม่นึกหรอกว่า งานทั้งหลายนี่คือของเจ้านายเขาจะคิดว่างานนี้คือของเรา